สั่งทำกันแนละ้วสั่งแล้วฝากการปฏิบัติกันเถอะตามทำนั้นเรายังเอ่ยความธรรมะที่ชนาดากันแรกของพระเจ้าที่แสดงทรรมาจากกับปวารณาสูตรในรันเดินเดินแปด ามาแล้วในอาทิตย์หนึ่งมีประฐานเกิดขึ้นในโรคพอะสงหลก แ, ล ร, แรกคืออญญากรทัญญยามาอีกสี่ห้าหวันของจะมีว่าป่าพัติยามหาดามาอาสิเป็นเกิดเป็นประธานขึ้นตามลำดับจะมาเทียนากันนี้ไม่ใช่ให้จำ ให้เอาไปทำกรรมหลักปฏิตปัจจัยกรากายเอาใจเป็นหลักสูตรเราก็มีกายมีใจเราเพื่อเจ้าที่อุบัติขึ้นโดยธรรมท์สนากันนี้ก็พะเปกกายปุกใจมาเป็นกรรมทศสนา เอากายเอาใจเป็นที่ตั้งของความรู้สึกตัวจึ่ได้เห็นเรื่องนี้ได้รู้ตามความแท้ความจริงในสิ่งนั้นต่างที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจแลาวก็ไม่การไม่ใจตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้เคยให้มีสติตั้งไว้ที่กายทีใจไหม อะไรไม่ใช่กายใช่ใจมากที่สุดวิธีผ่านมาเกิดอะไรขึ้นที่กายที่ใจติดอะไรบ้างติดอะไรมาบ้างต้าลอดมามีสติดตั้งวว้ที่กายที่ใจติดจะดเห็นส่วนที่มันติดมา กับกลายกับใจไม่ถูกต้องก็มีเป็นทุกเป็นทุกตัวมีแล้วมีชาติจะเลิกจักทำให้เจ้งในะสิ่งนั่นได้กต่ความเท็ความจริงจะในสิ่งที่มันเกิดกับกลายกับใจอันมากมายหลายอย่างวิชากรรมฐาน <c oughs> การเชื่อเจ้าได้ปธิบัติเป็นเกิดพุเจ้าก็คือมีจิตใจนิรันดร์อยูเป็นประจำผู้แฉงเข้าเหยืยอแฉ่งออกให้รู้สึกตัวเป็นหลักสูตรศึกษาตรงนี้เรียนรู้ตรงนี้ฝึกหัดตรงนี้ เมื่อมีความรู้สึกตัวตั้งความรู้สึกหายใจแล้วจะได้เห็นจิ่งี้ไม่ใช่ความรู้เกิดขึ้นมาแล้วก็จะได้เปลี่ยนงานซะให้เป็นความรู้สึกตัวตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างไม่ละก่ากรร ม, มัธฐานที่ตั้งข้อกังกับทำงานให้ทำ ความเรื่องที่เกิดกับกายกับใให้เตนขความรู้จักตัวทุกๆเรื่องเรามื่อเกิดขึ้นมาพระองค์อาจจะคิดเวลานั่งคู้แขนเข้าเยืเ่อแขนออกอยู่พระองค์ก็อาจจะคิดถึงเพื่อพาคนมีเมียก็คิดถึงเมียพอมาคิดไปก็กลับมาซะ ขึาความคิดมันอาจะนโจทย์ตัวหนึ่งที่ทําให้ต้องเฉลยว่าเวลาไหนไม่ใช่มันั่งคิดถึงลูกถึงเงียะรู้จึกตัวซะ ห, หลายอย่างชิดถึงเราหุ่นคิดถึงประชาสานู้ดดูบ้างเปรียบเทียบอย่าไปเอาเหตุเ้าผลมาเอาควาถูกความผิดในความคิดเวลาไหนไม่ใช่มาทําแบบนั้นมาฝึกตนสอนตนให้รมีความรู้จึกตัว นี่สติเป็นที่ตั้งว้ายให้ถามันอย่างนี้จะได้เห็นจะได้พบเห็นมัใช่จะผิดเหินนี่การพบเห็นในสิ่งที่มาเกิดกับกายกับใจพบเห็นชื่นใดเห็นความสุขความทุกด์จิตเรียนตัณาหลาคาโกรธโลกหลังความรักความชางอิจฉาไปบาด การเติบเพื่อนมากับเรืยนมันมาเป็นความรู้จักตัวซ้อเมื่อเปลี่ยนม า, านทำกุลความรู้จักตัวก็ได้เห็นแล้วได้ทำเราได้เห็นแล้วรู้แล้วรู้แล้วทำได้แล้วหลงที่ใดรู้ที่นั้นลุกที่ใดรู้ที่นั้นโกรธที่ใดรู้ที่นั้นทาได้แล้วทําเป็นแล้วลราเกิดด้วยความทำด้วยศีนะทุก นจนสิ่งที่กาหนดรู้เรารูแล้วรูแล้วลว่ความรูกมันไม่ใช่ความรู้จักตัวอ๋อทำได้แล้วนี่คือก่องเท็จความจริงในะหลักอวิชชาที่มันมีอยู่ในเหล่านี่เราด้เห็นของเท็จของจริงในคะราวเดียวก่อนบนละมุม มือนหน้ามือหลองมือไม่ฟรีเลยเวลาเราปฏิบัติเราเห็นงานมีงานในการทําทันทีเลยงานแบบนี้ระหว่างงานสร้างมากสร้างผลไม่เกิดขึ้นด้วยการที่ใจมีการไม่ใจเพื่อสร้างมากสร้างผลไม่ใช่ไปรสร้างทุกสร้างโทษให้เกิดกับตากับกายปวดรูปหลงเจตนาหลาคาความรักความชังพอใจไม่พอใจ อ้าช่เรื่องของกายของใจไม่มีประโยชน์ไม่จเจอผลทุกข์เป็นโทษเราจึงมาหาใช่กายใช่ใจเราให้มันถูกต้องเหมือนกับการช่วยเหลือช่วยกายช่วยใจแต่ก่อนนี้กายใจไม่เป็นธรรมต่อกันเลยนี่กายกบเดียดเวียนกายเป็นทุกข์เบียดเบียนจิตใจด้วย ใจก็เปลี่ยนกายโดยคเป็นทุกข์วาทุกเขกเฉยเก็เป็นทุกข์ความสิทธเฉยก็เป็นทุกข์อย่ทุกข์กความชิดตัวเองนั่นือจิตใจของเราที่มันใช้มาผิดแ r ้แต่งานเจ็บไข้หรืป่วยก็เกิดมาจากการใช้กายใใจที่ผิจนายไก็ี เราอีกหลายเชื่อใจที่ผิดจึมาทุกเป็นโทษต่อ ต, ตัวเองและคนอื่นจนมีคุก ม, มีตลางเกิดขึ้นมาหมอมันใช่ผิดเราจึงมาหามันเป็นทุกข์เป็นโทษจริงจึงก็เชื่นะอถือเราเดี๋ยวนี้มั่นใชจไหมมีใจอย่างนี้เรามั่นใจเราไหมซึ่งมันได้ไหม หรือว่าเอาใจไว้ค่อยจะเป็นทุกเป็นนู่นในมั่นใ จ, จมั่นใจตัวเองเอาด้วยจะเป็นอย่างหลายมันก็เป็นอันตลายเข้าใจไปทั้งอันตรายแล้วเราก็เกี่ยวข้อกับจริงองื่นแต่มาชาตินี้เราได้เป็นมนุษย์สมบัติแล้วในการม่ใจเพื่อมาต่อยอด อห้เกิดคุณความดีเกิดมกักเกิดผลขึ้นมาจนจะสำเร็จประโยชน์ก้มค่าน้ำนมพ่อแม่เลี้ยงเรามาหรือว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่จำเตนต้องฝึกหัดถ้าไม่หัดมันไม่เติมเช่นเวลามันหลงเขาต้องเป็นหลงอยู่เรื่อยๆน้ำสตาจ เรามาทุกก็ทุกข์จนตายทุกข์ไปเรื่อยเรื่อยเรื่องเก่าทุกข์เด้าทุกข์อีกมาเป็นสุกเป็นทุกข์เด้าทุกข์อีกแต่ถ้าเราเปลี่ยนมันช้าจนความรู้สานั่นก็จบเป็นอาจจะเป็นคว <c oughs> หลงเป็นการสุดท้ายหลงทุกข์เป็นขกคนคารสุดท้ายได้ ทำได้จริงจริงหาสายกรรมาฐานจนที่ตัง้งเป็นนิมิตเกาะไว้เพื่อนไหวมือให้รู้จิกตัวอย่าไปคิดเอาหาคาตอบเอาเหตดเอาผลให้ออกกรมกรมพื่อกระําให้การกระทำลึกคิดไปอห้มีความรู้ เป็นตัวเฉลยชีวิตทั้งหมดอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจนอกกายนอกใจเพื่อทำให้ในความรู้ตัวจนเป็นศาสตเป็นสิงเป็นความชมํามชั่นานเมื่อมันเป็นความชั่มิชั่นานก็จะเกิดวิปัสสนาขึ้นมาวิปัสสนาหยานขึ้นมาลูกแดิน ตัวชงจะหมดเลยถึงจะพักเกิดขึ้นกากับการมันความเจ้ดความจริงความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงคือความรู้จุตัวถูกต้องเลือกได้ได้ยอใหม่ได้ชีวิตใหม่มาไล่เป็นดีอ่าที่เป็นถูกในความรู้กากความหลงรออเจ๋งดีจุดนะ ความทุกข์ทุกข์เป็นพระพุทธเจ้าได้ปูบตทขึ้นเป็นพุทธเจ้าได้ดังที่เราได้หลังธรรมเทศนาทตใม จ, จับในอริยสัจสี่ที่จะไมเกิดทุกข์นี้อยู่เราวิจีรณ์วิจารณ์ยางไงเกี่ว่าง่าย โอ้เยอะะเลยพวกเราไม่จนเลยเรื่องกายเรื่องใจเอากรรมฐานฝึกกรรมฐานบ้างได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าอยู่เฉพาะหน้าเราจริงๆในจิงที่เราหลงคนอื่นไม่หลงพุทธเจ้ากพรลูกเรื่องนี้ไปทางเดียวกันจิงที่เราทุกข์ุเจ้าเคยทุกข์เหมือนกัน เหมือนกันหมดในกลายในใจสิจ่งที่ต่ออบอุ่นกันหมดให้ต่างกันเหือนกันหมดสิ่งที่เราหลงคนอื่นจะไม่หลงในเวลานี้เรานั่งอยู่นี่อยู่ด้วยกันเนสิ่งที่เราทุกคนหนึ่งเขาไม่ทุกสิ่งเราคิดแล้วจะดี ค, ดคนหนึ่งเขาปล่อยทิ้งแล้วเจ๊งเยอะแยะเลยอบอุ่นใจแลเวลาเราปฏาิบัติ ได้การละยานะมิตรในการละยานะธรรมสังติเป็นการละยานะธรรมกับชีวิตเราจึงได้สมชื่อว่าอุปการและคุณเสมือนพ่อแม่มี่สติเหมือนอยู่ในบ้านพ่อว่านแม่อุ่ชายนี่การละยานะธรรมนีม่เป็นชีวิตที่พัฒน์ก่อนนี้สังติ แล้วฉันจ้องฝึกให้หนีให้เป็นกันใช้ชีวิตหรืออ่านเอาจำเอาเอาให้ทำให้มันมีขึ้นกาชีวิตเราเราไายเป็นดีได้ทุกอย่างไม่ว่านักปฏิบัติดวมันจนเกิดเป็นวิตปัจจานาจาณนึ้นแล้ว ก็ล่วงข้ามภาวะเก่าๆได้ร่วงก้นพาะเก่าได้จิตใจก็เปลี่ยนไปได้เป็นประโยชน์แก่กายใจด้วยอายใจก็เป็นธรรมเกิดขึ้นมีความเป็นธรเกิดขึ้นต่อกายตใจมมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นโต่อกายตใจแล้ว ก่จากผู้ปฏิบัติก็มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นนอกจากกาจิตใจแต่สิ่งอื่นวัตถุอื่นกอนอื่นไว้สมวังมากเพรดเหาก็เหมือนกันเพราะเรื่องเหล่านี้ต้องตั้งต้นตัวใครตัวมันนับเป็นจากตัวเรามันใช่เรื่องเดิมกันปฏิบัติเอง ก็ทำมันต่อผู้มี่ภาคเจ้าจัดไว้หรือแล้วดีแล้ ว, ลวมีคู่มีหลงมีไม่หลงเปิดออกแล้วอย่าไปจ้อนตัวความหองอย่าไปยนตัวความทุ ก, กมีทุกก็ไม่ทุกย้อนมันผู้ศึกษาปฏิบัติต้องทำเอง คุณหลงเองคุณต้องเปลี่ยนลูกเองคุณทุกเองต้องเปลี่ยนไม่ทุกเองให้สมรู้วยตัวเป็นเครื่องทุ่นแรงกรรมฐ า, านเป็นเครื่องทุ่นแรงเวลามันจะลอมก็ไปอาหลงความยึดยุกมือขึ้นมายืดตัวขึ้นวางใจมีศรัทธามีความเพียรมีสติลงไปมีสมาธิลงไปใจใจลงไป อย aki, mund, ja ่าไปทําผิวผืดผื่นข uh ุ colder, ่นคุ<_<_้มคือจึงโดยนิดลงไปอย่าให้ความว่าว้าความฟ้าเวลารับปฏิบัติเึ่งลูกเครื่องหลวงให้มันชัดเจนแม่ยอมทําจึงได้มันจะจะไม่จมนานมากขึ้นติดได้ง่ายได้ดำดับดำดำท่องจำเหมืเราท่องหนังสีอใส่ใจอยู่เสมอก็ติดได้ กายมันติดกับสติได้ใจมันติดกับสติได้เอาแปบาเป็นอันเดียวกันเลยในความรู้โลกโลกมีสติเป็นหน้าโลกกันเลยหน้าเดียวมีสติหน้าโลกเรือไม่เปิดเหมือนพระชีนาศกผู้มีสติปไปไม่ใด้พระชีนาศกก็คือพระอรหันผู้มีสติเป็นวิไหนเป็นหน้าโลก ก็เปิดดีมันกเป็นวิปัชนียานอย่างลู่อะไรง่ายลู่แจ้งมองะทะลุทะลวงได้เห็นอะไรลู่อะไรได้อะไรที่มันเกิดกับกายกับใ จ, จะทะลุทะลวงได้เป็นจริงที่ถูกต้องเป็นศัจธรรมเป็นมาตรฐานของชีวิตชีวิตที่มีความมาตรฐานในความเป็นจริง ความหลงไม่จริงควทุกข์ไม่จริงก็มไม่หลงหมันจริงกมไม่ทุกข์มันจริงเมื่อสมพอใจเกิดไหลขึ้นมาเปนสิ้นแต่สมาธิเป็นตัญญาสิ้นก็หมายช่วยสมาธิหมายช่วยตำมาช่วยทำย่อมรักษาพูดทำอยู่แป่ น, นิดทำย่อมรักษาพูดทาให้ตกไปไหนที่ชัว่ว ตื่นไปเองไม่ใช่มานั่งจ้างจังหวะตลอดตายเวลาเราจเราจะท่านจังหวะอะไรหรือเดินจกกันเลยดรือทำให้นันมือมันอยู่ที่ชีวิตทั้งหมดชีวิตทั้งหมดยอมเป็นตามเกิดขึ้นกับชีวิตเราอื่นแต่เด็กจุเตือนนมก็ดีอย่ารอให้แย่ให้แก่จึงจะมีค่านะชีวิตเราเนี่ย แต่ไม่ใช่นังเลยโง่เต่าเลยเป็นหมันเลยยิ่งพอเราเป็นนักกวยู่วับวาลามเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็เราเป็นบบคครับบทต้องคนขี้วอนอยู่เฉยหนอาอยนะที่ชาวบ้านเขาสร้างให้ <c oughs> ถ้าเราไม่ฝึกฝนจอนตอนก็เป็นหมัน ทั้งสองปานว่าผู้บวมลมผู้ให้เราก็ไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่ได้ประโยชน์มันจึงทว่มเราไม่ประมาทโดยเฉพาะนักอวดเงแต่หน้าที่โดยตรงเรื่องกรรมฐานนี่ฉันเชิดอุ้มบาทล้างบาจีดีอุ่มบุ้มบาทไปวางบนปัจจของตนนั่ง ให้ตัวตรงสร้างสติไม่มีงานอะไรถึงงานที่โดยตรงเรื่องกรรมฐานนี่ชีวิตนักอวดชีวิตเพื่องานกรรมฐานไม่ใช่ไปทำอย่างเดียวฝึกตรนสอนจนได้ดีแล้วแล้วก็คิดถึงคนอื่นเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมดา อยน้ิดทั้งพ่อั้งแม่ต้องอยู่ผูกพนต่อราเาด้วยกายด้วยจากพ่อจาแม่มาเพื่อทําดเพราะว่าเราเปินคนดีไม่ไปทุกข์ไม่โทษก็ถือว่าตอบบุญตดคุณพ่แม่ได้ถ้าได้เงินคนั่วอยู่ถือว่ายังเป็นหนี้พ่อแม่พ่อแม่ทําดีอะไรไม่ อันไม่มากนักแต่ว่าดีของฟ้องแาเกลี้ยงเราได้ในชีวิตยอยู่นี่สุดยอดแล้วสําหรับเราเพื่อให้ทํางานอันนี้ขึ้นมามันก็เป็นประโยชน์สับสนุนเราบางทีเราก็ทิ้งลูกทิ้งเมียมายิ่งดีเป็นตัวฟ่องเป็นโจทย์เราจะได้ได้ประมาณทิ้งข้อทิ้งแม่มาทิ้งงานทิ้งการมา จะได้ไม่สมานเป็นตัวโจทย์ที่สําคัญที่สุดเดว่าเราไม่คิดถึงลูกถึงอะไรก็เกาะมองพัฒนาตัวเองเราคนหึงอนะ่ะจะเป็นพ่อผลที่ดีเราคนหนึ่งจะเป็นัวคนที่ดีเราคนหนึงเป็นลูกที่ดีมั่นใจสุดยอดเลวมาทำอะไรมาทำแบบนี้ถ้าตามความจริงเนี่ยคือ เป็นแบมนี้ค่ะจึง้ะดวกทุกยอย่างในในศาสนาในวัฒธรรมประเทศนี้ประเทศไทยคนไทยศา ส, สนาแบบไทยๆพระสงฆ์แบบไทยๆวัดวาหลาแบบไทยๆพูดกันแบบภาษาไทยควงลู้จักตัวใครก็ต้องู้จับยกมือขึ้น รู้จุดรู MVP, ้จุกก็ทำโดยสัมผัสโดยยกยึกมือขึ้นตั้งไหวรู้จุดรู้เรื่องกันยกขึ้นรู้จุดเอื่อนมือมารู้จุดยกมือเคื่อนไหวเจอรู้ที่นั่นยกเือขึ้นไหวรู้ที่นั่นนี่คือการสอที่ัคพูสอนก็ได้สัมผัสตดทุกวินาทีกรรมฐานแบบสมบัตญชะบัพพะ หลังพระไตรปิูกตั้งโยบนหลานทธรรมสมันชิญะบัพพะการเคลื่อนไหวให้รู้จักตัวอาศัยกายอาศัยใจเป็นที่ตั้งแห่งควมามรู้จักตัวทุกวินาทีรู้ทุกวินาทีอย่าให้มีงานอะไรเกิดขึ้นให้ขวนขวยอย่างนี้ให้มากที่สุดเพื่องานอันนี้ขึ้นมา อย่าคุกคีกันอย่ามีอะไรที่จะทําไม่ขวงกันเรื่องนี้แม้จะมีสิ่งเองเกิดขึ้นก็อย่าให้มันขวงกันขวงลูกใช้ได้ทุกรูปทุกแบบวับถตถาบ้างพุงอาหารบ้างมีเฉติตําน้าพริกบ้างมีเฉติหั่นผักบ้างมีเฉติร่างถ้วยร่างชามบ้างร่อนแก้วร่านใจไปด้วยกันบ้าง นีอะไรทั่รไปกบได้าบบมัจฉญาบพะนามบับพะคิดบับพะคือลู้ดุ๊กดุ๊ ก, กแบบแต่ว่าถ้าเราปรึกโฉนกายนี่เป็นที่จังมันจะแตกฉานเดือเมันอเราเรียดังสือจะเรียกกัะดูกระดาน ต้องเขียน อ, อยู่กระดานปชิทินเขียนต้องดูต้องเห็นถ้ามันติดแล้วก็ไม่ต้องดูกระดานเขียนก็ไม่ต้องเขียนพูดได้เลยภาษาได้ใช้ได้เลยสติก็คือรู้จักตัวไงภาษาอินเดียว่สาสติสามสัญญาอาถาไทยด้ยวรู้จักตัวรู้จักตัวยกมือมขึ้นรู้จักไหมรู้จักมืออยู่ไหน เออเราเมือวันวังเขาถามทุกคนเมื่ออยู่ที่ไหนเขาก็ตอบว่าเมื่ออยู่ที่เขา อ, อะไรลู้ว่ามือที่เขาตัวเองลู่ไหมหรือว่าถามการตัวเองลู่เราแยกว่ามือของคนอยู่ที่อื่นอยู่ชั้นหลังเอาบอกว่าไม่ใช่มืออยู่ที่เขาคือความจริง คนอื่นจะบอกว่ามือเราอยู่ข้างหลังไม่ถูกต้องมือระวางมันเก่าเนี่ยนี่คือความรู้จักตัวที่มันตอบได้ทุกคนไม่เลยคาถามปฏิมันไปอย่างนี้ไม่สมผัสณ์ในี่ให้มันแชดเจนอย่างนี่เลื่อนไหลไปตามรูปแบบรูปเป็นข้างเป็นข้างเป็นข้างเป็นข้างไปเพื่อมาให้หลงเวลามาชิดไปกลับมารู ไม่หวังงานสิ่งที่มันแย่งไม่ใช่ความรู้นะสนุกนะไปช่วยตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้เปลี่ยนได้เป็นดีเรื่องเลวเรื่องเลามันก็เป็นงานชอบที่สุดเป็นความคิดที่ชอบที่สุดเป็นการดำริที่ชอบที่สุดเป็นการพูดอกมาด้วยความชอบที่สุดเป็นการกระทํำที่ชอบที่สุดเ อ, อิดแต่ฌานแตหลายๆอย่าง สิงแวดลอ้อมครบวงจรนในสติก็ละความชั่วทันทีมีสติก็ทําความดีทันใจมีสติจิตก็บริสุทธิ์ทันทีอปพร้อมกันหลายอย่างละความชั่วกันถิ่นทันทีทุกคนมีสติเหมือนคนคนเดียวกันละความชั่วทำความดีนนในคราวเดียวกันเนี่ย คนในประเทศใดหกสิบกว่าล้านคนมีชาติทุกคนรับความชั่วทำความดีในข่าวเดียวกันอะไรไมมนจะเกิดขึ้นต้องเป็นความสงบร่มเย็นของชาติบ้านเมืองแน่นอนจึงไม่ใช่ว่าจะไปวันอื่นปรับทุกข์ปรับโทษตัวเองดูแลตัวเองให้ดีดีรักษาตัวเราให้ดีดีมีกายมีใจเท่านี้ไม่มาก มีสติสามาัดดูแลกายใจคุม้มปฏิบัติธรรมก็คือมาดูแลกายแม่ดูแ ล, แลกายใจให้มันปลอดภัยได้ไหมไปจะปล่อยตัวเองทิ้งอย่าปล่อยกายทิ้งอย่าปล่อยใจทิ้งเราเคยปล่อยที่มามากแล้วความคิดกับมันทุกเวลานอนเรื่องหมาชิดจนมันทุกนอนไม่หลับปล่อยตัวเองคิดจนมันทุกไม่รู้จัก หยุดของมคิดตัวเองเพราะไม่ปุทธะรู้ความคิดหยุดไม่เกินเวลานอนชิดจะนอนไม่หลับดังอย่างนั้นทำไมรับปว่าแรงทิ่ขนาดนั้นอูย้ยจะ่ตื่ล่นมาช่วยตัวเองเวลาเราไปคิดไบบมันเปิดปืนจุดอ๋อ ไอ้สติมันจะคิดแบนได้มคมขืนตัวเองคนมี้น่ารักนะคนหน่าจังนะ ม, มันคิดแบบมั้นไ่ได้มคมขืนถึงมันความบปยงมันไม่เป็นอะไรมันไหวชวดอยู่แล้วอย่าไปส ม, มุติหวนหยักให้มันเป็นคนหน่ารักหน้าจังพอใจไม่พอใจมันเคยหลอกเราแล้วเสียเปียบมาแล้วเสียเปียบความโกรธมาแล้วเสียเปียบควมทุกหมาแล้ว ทำตามผมโกรธมาแล้วทำตามามทุกข์มาแล้วเชียร์เปียกมันไอ้เหลิมจริงใดที่เราทำให้คนเดิมเปทุกข์เน่โอ้ยเฉล่มป้าแต่คนอื่นทําเลยเป็นทุกข์ไม่เป็นไรไมนใช่ความอยู่ท้องหล่อเรื่องผิวผิวเปิเยแต่ถ้าเราทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำให้คนอื่นไปนทุกข์เนี่ยโอ้ยเจ็บจอิดถึงกับอะไรเจ็บปวดมาก เป็นดอยในใจเราเนี่ยโอ้ยแต่แม่ต่าเท่าไหร่ก็ไม่ก้มสาส่วนมนนไรภาพปฏิบัติธรรมเท่าไหร่มันมันเป็นต่าที่ติดสายติดใจเราบ้างเราจะกว่าที่งั้นหรือชีวิตเรามันมีค่ามากมีค่ามากจรงขอ ให้ใช่สถานที่นี้เป็นเครื่องฝึกประเทศไทยคนไทยมาใช่อยู่ร่วมกันอย่าทะเลาะเบาเรื่องกันอย่ากัดกย้งกั น, กนอย่าคุกคีกันให้สิทธิดเรื่องนี้กันทีม่มรกผู้นทุกคนาหานก็มีจิตศรัทธาความ มาผู้จเริ่นน้าเรื่องไปตัวละเอยความเป็นอยู่ของเราก็ก็ให้ถือว่าเป็นส่วนทั้งหมดช่วยกันไปยคนําไม่คนละเมื่อคนหนุ่มอยช่วย ค, ย ค, ค, คนคยคเฉยบ้างคนเฉยก็อย่าอับรียบคนหนุ่มบ้างอ ย, า, อยาเห็นเฉยตัวความเป็นอยู่ให้น้อยมัน เกิดชิงเวรนอมที่ดีชิงเวรน้อมทอี่ก่อยบรรล้ธรรมได้ง่ายถึงบาเสเซกานาดาตัวเองก็พยายามช่วยดูเลยอากาศใจให้ดีดีอยมีภัยแต่ชีวิตไม่มีภัยแล้วปลอดภัยที่สุดไม่มีภัยอะไรเกิดขึ้นหรือว่าพระหรือเจ้าอ่าราติแต่ว่าค่าจะใย อาจะพระอริยเจ้าพระอริย ะ, ะยบุคคลถ้าเป็นโยมหรือว่าอาริยบุคคลถ้าเป็นนับว่าของเขาเจา้าโอเอ๋แต่ว่าเขาจะย่ายแต่ว่าไปไ ป, ไปจากเขาจะมันเกิดอยู่ที่กายที่ใจเรานี่ไม่ไหมอาวุธศตรูหลายที่ไปช่วยยิงให้แม่ที่เรู้ดจิต ไม่นั่นเรามีสตืมันเหมือนกับชชยภูมิที่ดีของนักลบดูเลากายลุยาจเห็นหมดเหมือนชชยภูมิของสนามลบที่ดีที่หยุดเปิดเลยขึ้นไปไลู่สกตัว่าหลายแม่นแน้วยิงแม่นชัดเกณฑภาพกล้องหลงได้ถ้าศึจจำนวนมากหมดไปได้ หน้ามันหลงอะไรกันอะไรเกิเก็นลูปลู่เนึ่งอาวาที่ลูกกำลังพลน้อยๆแต่ป่าฆ่าเฉกเลยมากไม่ต้องไปอดไปทนอะไรแต่มันหมดไปเลยถ้าเราอดขับไปนีความรู้ไปกำลังพลคือความรู้เฉกตัวห้าเฉกคือความหลงอความหลงเป็นหัวหน้าของฆ่าเฉกปาามันหลงหลอะไรลูกเปลู่ที่ลูกนี้ ผมก็ได้ใจชนะด้วชี้ตังแม่เป็นผู้ชนะตัวเองชนะตัวเองแต่สิ่งที่เราเจอชนะคนอื่นลอยข้างถนนมันชนะตัวเองกันอเจ้าสนเฉินคนเดียวชนะตัวเองอยนึงคือปฏิบัติธรรมเอาชนะตัวเองทุกปูแบบนะนกวาจลเนาะค